วันนี้วันะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพวกห่างวัดหน่อยก็ปีหนึ่งะระลึกครั้งหนึ่งถ้าเรานักปฏิบัตินะเราะระลึกทั้งวันไม่ต้องรอวิสาขะนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงความดีของท่านเป็นตัวอย่างให้พวกเราเดินตามแต่เดิมเราก็มีกิเลสเนาะท่านก็มีกิเลส่ก็เหมือนพวกเรา ล้มลุกลกลานสแสวงหาทางพ้นทุกข์ยากลําบากมากมายเหลือเกินเสรนจใจท่านห่วงคนอื่นสงสารเกิดความกรุณาขึ้นในใจถ้าพ้นทุกข์ไปคนเดียวก็สงสารคนอื่นก็พักเปลี่ยนสแสวงหาทางพ้นทุกข์แล้วก็จะได้มาสอนต่อ จริงท่านพบพระพุทธเจ้ามานับไม่ท้วนนะจนกระทั่งมาพบพระพุทธเจ้าชื่อพระธีปังกรนะชื่อพระธีปังกรตอนนั้นท่านเป็นฤาษีลูกศิษย์ท่านก็เยอะท่านพบพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ปลืม้มนะเห็นพระพุทธเจ้าเนะี่ยทำประโยชน์ได้มากท่านก็คิดว่าเออพระพุทธเจ้านี่ดีนะ ทำประโยชน์ได้เยอะเหลือเกินส่งเคราะห์สัตว์โลกได้มากมายท่านอยากส่งเคราะห์บ้างใจของท่านเกิดกรุณาไม่ได้เกิดอยากใหญ่ตอนพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยลูกศิษย์ของท่านท่านเป็นฤาษีชื่อสุเมธสุเมทโธ ท, ท่านฟังเทศเนท่านหมดแต่ปลื้มซาบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ฟังธรรมะเอาธรรมะ บรรลุพระอราหันต์ไปท่านไม่บรรลุอะไรเสร็จแล้วท่านได้รับพยากรนะว่าวันหนึ่งข้างหน้าอีกเสียสงไข่แสนมหากรส่งไขน่นึงก็10ยกกำลังร5 0ประมาณนั้นบางควนว่าร้่เสียสงไข่แสนมหากับทําไมต้องมีคําว่ามหากรกบมีหลายกับ มหากรัปเป็นอายุของจักรวาลาพวกเราก็มีอายุเฉลี่ยของมนุษ ย, นย์เรื่องอายุกับอายุกัปเจบห้ปียุคยุคของเราเนี่ยประมาณ75ปีอายุเฉลี่ยของมนุษย์เรียกว่ากรัปหนึ่งท่านสร้างบารมีนานจนกรทั่งมาเกิดในชาติสุดท้ายเนี่ยก่อนชาติสุดท้ายท่านเป็นพระเวสสันดร เมสันดอเมสันดรว่าเกิดในหมู่พ่อค้านะเกิดในตลาดนะสร้างบารมีคือฐานบารมีเป็นเรื่องแปลกตอหนูพ่อเด็กๆเราไม่เข้าใจเลยว่าทำไมฐานบารมีนะดูตื้นที่สุดเลยในบารมีทั้งหลายนะฐานบารมีศีลบารมนะีตัวยากๆน่าจะประเภทปัญญาบารมีอะไรองี้นะ ดูยากๆเลยแตนะ่กลับมาจบลงที่ฐานบารมีแต่จริงแล้วการปฏิบัติทมนะทำไปเพื่อทำลายความยึดถือในอัตตาตัวตนนะยึดถือรูปนามเป็นตัวกูของกูท่านทำฐานบารมนะีท่านกล้าสละกระทั่งชีวิตในชะ่ไมไม่รักตัวกูของกูแล้วกล้าสละตัวนี้ไป ยอมตายเพื่อธรรมะได้นี่บารมีมาเต็มกันตรงที่ยอมตายเพื่อธรรมะไดนะ้มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์ไปภาวนานะทีแรกก็ไปหัดกระลีก่อนออกจากวังตอนเป็นคารวาสก็มีความสุขมากนะมีปลาศาทสามฤดูอะไรต่อไดนะ้มีความสุขสเสรวยกามสุข อยู่กับสาวๆเห็นแต่ของสวยของงามได้กินแต่ของอร่อยได้ยินเสียงเพราะๆเผ mm hmm. ลนแต่ท่านไม่เพลินบารมีที่ท่านสร้างมาเต็มแล้วอย่างพวกเราให้เจอความสุขมากๆแล้วเพลินสังเกตไหมตอนที่มีความสุขภาวนายากตอนที่ทุกข์ขึ้นมาภาวนาง่ายนึกออกไหมเพราะว่ามันเพลินนี่บารมีท่านเต็มท่านไม่เลินนะ ท่านเห็นความจริงของสังสารวัตที่น่ากลัวซ่อนอยู่ภายใต้ความสุขความสวยงามไม่หลงอยู่ในความสุขถ้าเพลินลูกนี้มีแต่ความสุขมีสุขสัญญาหมายแต่ความสุขเห็นแต่ของสวยสวยงามงามเลือดเพลินในของสวยของงามชื่อสุภาสัญญามีสุภาะไม่ใช่อาสุภาเป็นสุภาสัญญา เงินเวลามีความสุขเวลาอยู่กับสิ่งสวยงามอยู่กับสิ่งที่น่าพอใจมันเพลินแตบารมีไม่พอแล้วเพลินเจ้า ช, ชายสิทธาบารมีมากนะเห็นความจริงของสังสารวัฏที่ซ่อนอยู่ข้างหลังความสุขความสวยงามก็คือความแก่ความเจ็บความตายท่านเห็นสิ่งเหล่านี้ซ่อนอยู่ท่านรู้สึกร้สาระแล้วละชีวิตนี้ มีความสุขอยู่ไม่นานนะร่าเริงร้องรำทำเพลงไม่นานก็แก่แล้วไม่นานก็เจ็บแล้วไม่นานก็ตายตัวท่านก็ไม่พ้นคนที่ท่านรักท่านมีลูกมีเมียท่านรักลูกรักเมียรักพ่อแม่ตายไปก่อนแนละ้วคนที่ท่านรักก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยไม่มีอะไรที่น่าสนุกสนานเพลิดเพลินเลยมีแต่ของ ที่น่ากลัวซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ความสุขภายใต้ความสวยงามน่ใจที่บารมีเต็มแนละ้วมองเห็นในพระใจปิโดก็มีหลายองค์ที่เป็นแบบนี้องค์หนึ่งคือพระยะสะพระยะสะเป็นลูกเศรษฐีมีปราสาทสามฤดูเหมือนกันคาว่าปราสาทก็คือเรือนที่มียอดอย่างเรือนของเราหลังคาก็ธรรมดาไม่มียอด ไมเรียกปราสาทปราสาทที่เรือนยอดก็มีปราสาทอยู่รวยนะและท่านเคยสร้างบารมีเคยทํางานแบบปอเต็กตึงเก็บสมไม่มีญาติพระยาศาเก็บสมไม่มีญาติเอาไปเผากับเพื่อนๆ เ, เป็นทีมทีมปอเต็กตึ้งของท่านห้าสิบห้าองค์ช่วยกันทาําอยู่ในปราสาทแท้ๆนะอยู่กับสาวๆเยอะแยะ ใจมันรู้สึกไร้สาระขึ้นมารู้สึกเกิดชืดหน้าเบื่อเหมือนอยู่กับผีดิบรู้จักผีดิบไหยผีดิบนั่งอยู่ในเนี่ยผียังไม่สุกยังไม่ได้เผาเมื่อท่านท่านพวกที่อินทรีย์ท่านแก่กล้านะท่านไม่หลงโลกถ้ายัางหลงโลกอยู่ก็โอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานยังมีน้อยนะแต่บางองค์ท่านหลงโลกนะ พระนางเขมาหรือท่านหลงโลกหลงความสวยความงามในบารมีท่านเต็มมันได้ฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจขนะึ้นมาในคนที่หลงอยู่ในความสุขความสบายโอกาสทจะภาวนาให้ห่างโลกไปยากโลกมันมีแรงดึงดูดมากนี่เาชายสิท ธ, ธัตถะหรือพระยาา่าสรในบารมีท่านเต็มท่านเห็นความไร้สาระของโลก สุขแค่ไหนนะก็มีทุกซ่อนอยู่ข้างหลังสวยแค่ไหนก็มีความน่าเกลียดซ่อนอยู่ข้างหลังแม่ถูกมันหลอกแล้วเจ้าชายสิทธัตถะออกไปอยู่กับฤษีไปหัดทำสมาธิคิดว่าจะหลุดพ้นได้ด้วยการฝึกจิตให้สงบฝึกไปนะจนกระทั่งเข้าอารูปฌปานออกจากอารูปฌานเนี่ยสติปัญญาท่านดีแก่กล้า ท่านเห็นว่าพอออกจากฌานเนี่ยมันยังถูกได้อีก่างนักปฏิบัติเยอะเลยที่พอทำความสงบได้แล้วก็พอใจอยู่ในความสงบจิตไม่ถอนออกจากความสงบนะพอใจอยู่นั้นทำสมาธิแล้วก็ติดสมาธิหรืออย่างพวกเราบางคนดูจิตนะแล้วจิตเคลื่อนออกข้างหน้าไปแล้วไปสว่างไปว่างอยู่ข้างหน้าแล้วก็ติดอยู่แค่นั้นมีความสุขอยู่แค่นั้นไปเพ่งแสงสว่างไปเพ่งความว่าง ก็เป็นอรูปอันหนึ่งชื่ออากาสานัญญาตนะไปเพ่งจิตรักษาจิตไว้ก็เป็นอรูปอันนึงชื่อวิญญาณัญญาตนะน้อมใจไปอยู่ในความไม่มีอะไรเลยชื่ออากินจัญญายตนาะอันเนี้ยที่พระเจ้าไปเรียนจากอาลาลดาบทคืออากินจัญญายตนาถ้าจาอากินจัญญายตนะทัะยยนะที่อยู่กับความไม่มีอะไรเลยนะ สัญญาคือความหมายรู้เนี่ยอ่อนลงเพราะไม่มีของอะไรให้หมายเพราะมันไม่มีอะไรแล้วนพอสัญญาอ่อนลงนจิตสงบลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งสัญญาและเวทนาเนี่ยเป็นตัวทาให้เกิดจิตสังขารให้จิตปรุงพอสัญญาเกือบจะหมดสังขารก็เกือบจะหมดไปด้วยสังขารคือความปรุงของจิตนั่นแหละนำความทุกข์มาให้ฤาษีเขาก็ฉลาดเขาไม่ได้โง่ เขาก็เห็นนะถ้าจิตปรุงจิตทุกเขาก็หาวิธีฝึกให้จิตมันพ้นจากความปรุงแต่งเหมือนกันแล้วน้อมจิตเข้าไปอยู่ในความไม่มีอะไรเขาคิดว่าไม่ต้องปรุงไม่มีอะไรน้อมลงไปเรื่อยจนกระทั่งใจมันเลิกหมายเลิกหมายรู้พวกเราใครเคยเห็นสัญญาเคยั้ยที่ตามองเห็นอะไรแล้วมีเีเลย์ไทม์นิดนึง อ ย, อยู่ก็ผุดขึ้นมาว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้ตามองเห็นพระพุทธรูป mm. เห็นทีแรกยังไม่รู้ว่าพระพุทธรูปมีดีเลย์ไทมนิดหนึ่งก็สัญญาผุดขึ้นมานี่หมายรู้ว่าพระพุทธรูปพอหมายรู้ว่าจิตก็ปรุงต่อใช่ว่าพระองค์นี้สวยพระองค์นี้ไม่สวยพระท่านนั่งอยู่เฉยๆ ย, ยังวิจารณ์ท่านได้ด้วยท่านไม่เฉียงนั่งยิ้มยิ้ม แม้สัญญาผุดขึ้นมาสังขารก็ปรุงต่อนี่ฤาษีเ้าฉลาดเขาก็เห็นตรงนี้เหมือนกันเขาก็ฝึกจนสัญญาเขาเกือบเกือบจะดับความปรุงก็เกือบเกือบจะดับนะแต่พอออกจากสมาธิสัญญาทํางานขึ้นมาได้อีกความปรุงคือสังขารก็ปลุงแรงขึ้นมาอีกทุกข์อีกพระพุทธเจ้าเห็นว่าวิธีนี้ยันไม่พ้นทุกข์หรอกนะสุดท้ายท่านไม่ได้พ้นไปด้วยการดับสัญญานะ ท่านนไปได้ด้วยการเจริญปัญญาไม่ใช่ดับสัญญาเข้าใจมันเข้าใจมันแจ่มแจ้งแล้วก็ไม่ปรุงไม่ใช่ว่าต้องไม่หมายรู้แล้วไม่ปรุงเมื่ออย่าไปดูถูกพวกฤาษีเก่าๆนะเขาเข้าเก่งนะเขาก็ฉลาดพอรู้เลยถ้ายังหมายอยู่ยังหมายรู้อยู่นะยังสําคัญมั่นหมายอยู่จิตยังปรุงแต่งอยู่จิตยังปรุงแต่งอยู่จิตยงังทุกข์อยู่เพียงแต่เขาไม่รู้วิธี วิธีที่จะทำให้จิตพ้นความปรุงแต่งเขาไม่รู้วิธีเขาใช้วิธีที่จะดับสัญญาไปบางคนดับได้จริงๆดับสัญญาลงไปทันทีที่สัญญาดับจิตก็ดับไปด้วยนะเหลือแต่ร่างกายพวกนี้เป็นปลมลูกฝักเี่แม้เขามีคอนเซปต์ของเขานะไม่ได้โง่โ ง, ง่นั่งหลับหูหลับตาโง่โงอยู่ในปา่าไม่ใช่มีคอนเซปต์ของเขาเหมือนกัน คนที่สแสวงหาทางพน้นทุกข์มีมาเยอะแยะก่อนพระพุทธเจ้านะบางคนฉลาดรู้ว่าความปรุงแต่งทำให้เกิดความทุกข์กนะ็เห็นในความปรุงแต่งมาจากสัญญาหาทางดับสัญญานะบางคนเห็นอีกตัณหาทำให้เกิดทุกข์อย่างพวกนี้ครนนะรู้นะตัณหาทำให้ทุกข์หาทางละตัณหา พระพุทธเจ้าก็หาทางที่จะพ้นความปรุงแต่งหาทางละตันหาเหมือนกันแต่ท่านพบว่าวิธีที่สอนสอนกันอยู่มันไม่ได้จริงอยากไปทรมานร่างกายมันอยากกินเหรอมันรักร่างกายมากก็ไปทรมานร่างกายฝืนกิเลส ต, ตลอดเลยต่อต้านกิเลส ต, ตลอดเลยอันนี้ทำตัวเองลาบากสุดโต่งไปข้างทรมานตัวเอง ไ่นั่งสมาธิเพลินสุดโตไปข้างเพลินข้างสบายมีความสุขเยอะแยะเพลินสุดโตง่งาเห็นว่ามันไม่ใช่ทางท่านก็มาหาทางของท่านเองทางนี้คือทางของการเจริญสติเบื้องต้นท่านหัดหายใจท่านนึกถึงตอนเด็กๆสมัยเด็กๆพระเจ้าสุดโทธนาไปแลกนา คนที่เลี้ยงก็ไปดูพระเจ้าแผ่นดินไถนาหมดเลยท่านอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้ท่านนั่งทรอาณาปณะสติจิตท่านรวมรู้เนื้อรู้ตัวไม่ขาดสติอยู่ที่ท่านนึกถึงอันนี้ทำไมท่านทรอานาปณะสติขึ้นมาได้เองไม่มีใครสอนเพราะท่านเคยทำมาชำนาญแล้วพวกเราหลายคนตอนเด็กๆหลายคนภาวนาขึ้นมาได้เองแบบไม่ได้ตั้งใจนะมันขึ้นมาเองนะ ใครเคยเป็นบ้างมีไหมยกมือให้ดูนะซิพวกนี้มีของเก่าเนี่ยทำมาแต่ชาติปังก่อนอยังบางคนนะดูจิตได้เองตอนตกใจตกใจขึ้นจิตไหววับเงินสติระลึกขึ้นได้เองเลยตื่นขึ้นมาเลยแต่ไปต่อไม่เป็นมันลืมไปอีกเจ้าชายศิทัศน์ก็เหมือนกันตอนเล็กๆ เ, เลยทําอานาปนาสติจิตตื่นขึ้นมาแต่ท่านไปต่อไม่เป็นท่านก็ลืมไปอีก วันจะบรรลุพระอรหันต์ท่านนึกถึงตรงนี้ได้เป็นช่องทางที่ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์เป็นของคุ้นเคยแต่ว่าทอดทิ้งไปมัวแต่ไปหาที่อื่นท่านก็ธรรมานาปนสติเจอทั้งจิตของท่านตั้งมั่นจิตท่านเบาจิตท่านอ่อนโยนจิตท่านคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานใจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาไม่ได้ธรรมานาปนสติแบบขาดสติ พวกเราหลายคนจำนวนมากส่วนใหญ่นั่นแหละเวลาทำสมถะกรรมฐานนะจะน้อมใจให้ขาดสติทำให้ซึมไว้ก่อนคิดว่าซึมๆนั่นแหละดีว่าสงบดีความจริงเสื่องซึมกับสงบไม่เหมือนกันสงบนี่ร่าเริงนะแช่มชื่นสบายเบาโปร่งซึมๆไม่สบายซึมๆหนักๆเครียดเครียดใช้ไม่ได้หรอก ใจ้าชายสิทธัตถะท่านหายใจมีความรู้สึกตัวอยู่นะจิต ท, ท่านสงบจิต ท, ท่านเบาจิต ท, ท่านนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่ซึมไม่ถื่ไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งแข็งแล้วท่านใช้จิตชนิดนี้มันเดินปัญญาท่านพิจารณาอะไรท่านพิจารณาอาริยสัจพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ท่านต้องการพ้นทุกข์ท่านต้อ ม, มารู้ทุกข์อะไรเป็นทุกข์รูปนามเป็นทุกข์รูปธรรมนามธรรมานี่แหละตัวทุกข์ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นทําไมถึงได้รูปธรรมนามธรรมม า, ม, ามีความเกิดคือมีชาติชาติคือความได้มาซึ่งรูปธรรมนามธรรมาได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าจิตไปรวบเอารูปนามขึ้นมาเมื่อไหร่ก็มีชาติขึ้นมาเมื่อนั้นมีชาติขึ้นมาเมื่อไหร่ ก็เท่ากับไปหยิบเวยเอาตัวทุกข์ขึ้นมาเมื่อ น, นั้นชาติไปเป็นปัจจัยของทุกข์ชาติคือความเกิดความเกิดไม่ได้แปลว่าออกจากท้องแม่มาความเกิดคือความได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจพูดง่ายๆได้รูปนามมาจิตไปหยิบเวยรูปนามหยิบเวยขันห้าขึ้นมานี่คือความเกิดทําไมจิตถึงไปหยิบเวยรูปนามขึ้นมาเพราะจิตกระทํากรรม จิตดิ้นรนจิตปรุงแต่งตรงที่จิตดิ้นรนจิตปรุงแต่งเรียกว่าพบจิตก็ทํากรรมขึ้นมาเมื่อพอมันกระทากรรมขึ้นมานะเราขาดสติขาดปัญญาจิตจะไปหยิบฉวยเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาถือเอาไว้นี่เพราะสติปัญญามันไม่พอจิตทํากรรมขึ้นมาได้เพราะอะไรมีพบขึ้นมาได้เพราะจิตเข้าไปจับเอาไว้ จิตเข้าไปจับอารมณนะ์เข้าไปยึดถืออารมณ์ตรงที่เข้าไปจับไปยึดถืออารมณ์เรียกว่าอุปาทานลักษณะของอุปาทานก็คือตัณหาที่มีกําลังแรงกล้าตัณหาเป็นความทยานอยากของจิตนั้นะตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานตัณหากับอุปาทานความจริงเป็นโลภะด้วยกันนะเป็นโลภะตัณหาเป็นความอยากพอมีความอยากขึ้นมาใจก็เข้าไปยึดไว้ความยึดก็คือความอยากที่มีกําลังแรงกล้า ไม่ได้อยากเฉยๆแล้วโดดเข้าไปตะครุบเลยไปตะครุบอารมณ์ขึ้นมาไปหยิบช่วยอารมณ์ขึ้นมาอย่างพวกเราอยากภาวนารู้สึกไหมทันทีที่เราอยากภาวนาเรามีตัณหาเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราอยากภาวนาปั๊บมีตัณหาล้เราโดดเข้าไปตะครุบจิตขึ้นมารู้สึกไหมใครเคยเป็นบ้างใครเคยเห็นจิตกระโดดไปตะครุบจิตบ้างตะครุบขึ้นมาเฉยๆไหมไม่ตะครุบเฉยๆตะครุบขึ้นมาเนี่ยมีอุปาทานแล้ว ครบขึ้นมานะขยําขยี้ด้วยฟิกซ้ายฟิกขวาศึกษามันนะอันนั้นนะคือการกระทํากรรมหรือการสร้างภพการที่ไปหยิบไปเวยมันนะนั่นคือตัวชาตินะแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นเลยในทันทีที่ไปหยิบไปเวยจิตขึ้นมานะมันหนักมันแน่นมันมีภาระขึ้นมาทันทีนะความทุกข์ก็ติดมือขึ้นมาพร้อมๆกับที่ไปตะครุบเอารูปเอานามขึ้นมา นะไม่แต่ครุบเปล่านะแต่ครุบขึ้นมาขยำขยี้ด้วยนะนี่ขนาดนักปฏิบัตินะคนทั่วๆไปเนี่ยทาร้ายใจตัวเองตลอดเวลาความอยากเกิดขึ้นนะทําร้ายจิตใจตัวเองตลอดเลยแต่มองไม่เห็นนะงั้นคนทั้งหลายเนี่ยมีความเครียดเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยมองไม่เห็นขนาดที่มีความสุขหัวเราะ อ, อยู่นะความเครียดยังซ่อนอยู่เลยแต่ไม่เห็นนะมันทุกข์แท้ๆเลยแนตะ่สติปัญญามันไม่พอนะเห็นว่าสุขแนละ้ว นี่เจ้าชายศรีทั า, าไม่งงนะบารมีเต็มนะซ้อนลงดูลงไปดูลงไปนะันตัณหามาจากอะไรอีกมีกิเลสก็มีตัณหานะราคาเกิดนั้นก็อยากได้อยากมีอยากเป็นโทสะเกิดก็อยากให้หายไปกิเลสตามหลังเวทนาาแทรกมากับเวทนานะความสุขเกิดขึ้นราคาก็เกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นโทสะก็เกิดขึ้น ความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นโมหะก็เกิดขึ้นแทรกเข้ามาเนี่ยท่านเห็นย้อนย้อนย้อนลงมันเห็นในพระเวทนานั่นเองความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นั่นแห ล, ละก็ทําให้กิเลสมันแทรกตันหามันก็เลยเกิดขึ้นมาเวทนาเลยเป็นปัใจจัยให้เกิดตันหาตันหาคือความทยานอยากของจิตพระจิตมันทยานอยากจิตเขาก็ไปตะครุบอารมณ์ เรียกว่าอุปทานตะครุบแล้วก็มาทํางานนะมาปรุงโน้นมาปรุงนี้มาปรุงดีมาปรุงชั่วนั่นเรียกว่าพบปรุงแล้วก็หยิบเวยเอาไว้ยึดถือเอารูปเอานามไว้เรียกว่าชาติความทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะมีภาระที่เกิดจากการหยิบเวยรูปนามไว้นเรียกว่าทุกข์นี่ท่านดูลงม า, าเวทนาห้ามได้ไหมเวทนา เห็นไหมว่ามันยากที่จะเข้าใจนะของคนอื่นหาทางดับไปตลอดนะพระพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านรู้เวทนาเราก็ละไม่ได้ใครละเวทนาได้เวทนาไม่สุขก็ทุกข์ใช่ไหมไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆมีอยู่ตลอดเวลาเวทนาเกิดร่วมกับจิต ท, ทุกดวงเอาละเวทนาไม่ได้นั้นก็ละปัญหาอุปาทานภพชาติไม่ได้สิท่านดูต่อไปอีก เวทนามาจากไหนเวทนามาจากผัสสะตามองเห็นรูปก็เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาหูได้ยินเสียงก็เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาจมูกได้กลิ่นลินได้รสกายกระทบสัมผัสก็เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาโอ้เวทนาก็เป็นของห้ามไม่ได้นะมันเกิดจากผัสสะแล้วการกระทบอารมณ์ห้ามได้ไหมมันมีตามันก็มองเห็นรูปนะ มันมีหูมันก็ได้ยินเสียงมีจมูกก็ได้กลิ่นมีลิ้นก็ได้รสมีกายก็กระทบสัมผัสทางกายมีใจก็คิดนึกปรุงแต่งห้ามมันไม่ได้ซนะอีกตราบใดที่ยังมีอายตนะอยู่อายตนะยังทํางานได้อยู่นะภาษาก็มีอยู่ห้ามไม่ได้อีกและความยากของธรรมะรู้สึกไหมมีแต่ของควบคุมไม่ได้ทั้งนั้นเลยเป็นกระบวนการที่ควบคุมไม่ได้สันหาจะเกิดแลงห้ามไม่ได้เลย จิตจะเข้าไปยึดอารมณ์ก็ห้ามไม่ได้จิตจะปรุงแต่งก็ห้ามไม่ได้ตัณหาอุปาทานพบเลยนี่ห้ามไม่ได้เท่านั้นเลยนะชาติสั่งห้ามมันก็ไม่ได้เวทนาก็ห้ามมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้เนื้อท่านไปนค้นพบกระ บ, บวนการที่ควบคุมไม่ได้คนอื่นพยายามควบคุมนึกออกไหมพยายามละตัณหาอย่างทรมานกายพยายามจะละมันท่านพบว่าละไม่ได้ มีแต่กระบวนการที่ควบคุมไม่ได้ทั้งนั้นเลยแต่ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ท่านมาดูอีกเพราะมันมีอะไรอยู่นะถึงมีผัสสะอยู่ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่มันก็ห้ามไม่ได้อีกถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีผัสสะได้อีกตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนนี้มีอยู่แล้วห้ามได้แม้ว่าไม่ให้มีก็ห้ามไม่ได้อีกมีแต่กระบวนการของที่ห้ามไม่ได้ทั้งนั้นเลยควบคุมไม่ได้ทั้งนั้นเลย ท่านมาดูอีกอะไระทำให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้มีรูปนามทำให้มีขันห้าตัวรูปนามตัวขันห้าก็มีรูปนามมีขันห้าก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีผัสสะขึ้นมารูปนามเกิดจากวิญญาณจิตที่ยังลงไปตัวนี้ดูยากแล้ว พวกเราที่ภาวนากันตอนนี้เราจะเห็นตั้งแต่มีรูปนามมีร่างกายมีจิตใจอยู่เนี้ยนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแล้วกระทบอารมณ์จงเกิดกิเลสเกิดตัณหาอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์พวกเราเห็นภาวนาเบื้องต้นจะเห็นตรงนี้เห็นท่อนปลายของปฏิจจสมุ ป, ปบาทท่อนแรกๆเนี่ยดูยากแล้วนะว่าอาวิชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขาร เป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยของนํารูปถ้าเคยภาวนานะเราจะรู้เลยอย่าจิตอยู่ในภวังไม่มีวิญญาณขึ้นมารับอารมณ์ทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจตาหูจมกูกลิ้นกายใ จ, จก็กจไม่ปรากฏมีก็เหมือนต้นไม้ไปมีก็เหมือนก้อนหินไปไม่ใช่ตาหูจมกูกลิ้นกายใจที่เป็นตัวเราของเราอะไรขึ้นมา ตวิญญาณอย่างลงไปนะวิญญาณอย่างลงไปกระทบจิตนะจิตก็เกิดขึ้นเกิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆนะกระทบเจตสิกเกิดขึ้นมาวิญญาณขยายตัวแผ่ออกไปกระทบรูปรูปก็ปรากฏขึ้นมานะตัวนี้เห็นยากละนะเกินปัญญาที่พวกเราภานาในขั้นนี้จะมองเห็นก็ได้แต่คิดตามหลักลอจิกไปว่า มีร่างกายมีจิตใจก็เพราะว่าวิญญาณหยั่งลงมาเกิดมีวิญญาณมาเกิดก็เลยเกิดเป็นตัวเราขึ้นมามีร่างกายจิตใจนี้จริงวิญญาณหยั่งเป็นขณะขได้นะเกิดตัวเราขึ้นมาเป็นขณะขณะได้ตัวนี้ดูยากนะวิญญาณหยั่งขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาได้แล้วหยั่งลงในรูปในนามได้เพราะมีความปรุงมีความปรุงแต่ง ถ้าเราภาวนาไปนะจะเห็นกระแสของความปรุงแต่งนั้นพุดขึ้นมาจากภายในก่อนจากความไม่มีอะไรนะความว่างไม่มีอะไรเลยความคิดพุดขึ้นมาจากความว่างความคิดเลื้อออกมาจากความว่างพราอความคิดเลื้อยออกมาจากความว่างเนะี่ยจิตมันไปนอย่างรู้ขึ้นมานะมันจะมีวิญญาณรู้กระแสของความคิดนั้นขึ้นมาเกิดวิญญาณขึ้นมา วิญญาณนี่จะขยายตัวแล้แผ่ไ ป, เ, ปเหมือนเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นมากระทบความรู้สึกภายในความรู้สึกภายในก็เกิดกระทบออกมาถึงร่างกายแนละ้วเหมือนเปิดสวิตไฟปุ๊บขึ้นมาทั้งตัวจิตมันเข้าไปวิญญาณมันย่างเข้าไปในรูปน้ำได้รูปนามมานะตาหัวจมูกลิ้นกายใจก็ได้หมาพร้อมกันความปรุงแต่งนั้นเลื่อยขึ้นมาจากความไม่มีอะไรความปรุงแต่งพุทธขึ้นมาจากความว่างวนะ่าง ปรุงขึ้นมาแล้วก็สลายไปในความว่างแต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นพอมันปรุงขึ้นมานะมันมีจิตที่ไปรับรู้เข้าจิตไปรับรู้ความปรุงแต่งแลจิตนั้นขยายความรับรู้ออกไปก็ไปรับรู้รูปธรรมนำมาทำได้อีกนะความปรุงแต่งเลยขึ้นมาจากไหนเมาจากอาวิชชานะความไม่รู้ละไม่รู้พระพุทธเจ้าบางพระองค์นะท่านเห็นแค่ว่า วิญญาณทำให้เกิดนามรูปนะท่านก็ปิ๊งขึ้นมาบรรลุพระอราหันต์เป็นพระพุทธเจ้าและบางพระองค์นะพระพุทธเจ้าของเราสาวลึกลงไปอีกจนถึงอวิชชาเนี่ยปิ๊งขึ้นมาเป็นพระอราหันต์ท่านแจมแจ้งในกระบวนการของสิ่งซึ่งสัมพันธ์กันเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าแต่ละสิ่งทั้งรูปธรรมนามธรรมานั้นล้นวนแต่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ทั้งหมดเลย มีแต่กระบวนการที่ทํางานสืบทอดกันไปเรื่อยๆนะปรุงจนกระทั่งเป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์ขึ้นมามีแต่กระบวนการมีแต่รูปธรรมนามธรรมที่ปรุงแต่งรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายล้ว น, นแต่ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ทั้งหมดเลยใจนะท่านเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดแล้วนะนี่มันปรุงทุกข์ให้ท่านหมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลาย ที่ค้ามภพข้ามชาติบรรลุพระอรหันต์เพราะหมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายเพราะท่านเห็นจริงแล้วรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายนะสืบเนื่องกันเป็นลูกโซ่เลยสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับควบคุมอะไรไม่ได้ท่านบรรลุพระอรหันต์นะเพราะว่าเห็นปฏิจจสมบทปปบาทเห็นปฏิจจสมบัติก็คือเห็นรูปนามนั่นเองแต่ท่านเห็นรูปนามในมุมของอนัตตาควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ เมื่อจิตท่านไม่ยึดในรูปนามแนละ้วจิตท่านก็ไม่ยึดอะไรในโลกเองนะท่านก็เป็นพระราหันต์องค์หนึ่งในโลกไนมะ่เป็นองค์แรกเลยเป็นองค์แรกก็มีทางเลือกสองทางเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แล้วบอกต่อหรือเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ารู้เฉพาะตัวท่านไม่ได้สร้างบารมีมาเป็นพระปัจเจกนะท่านสร้างบารมีมาเป็นสัมมาสัมพุทธะ ตอนบรรุุที่แรกท่านท้อใจที่จะสอนเพราะยากเหลือเกินที่มนุษย์จะเห็นตามได้ทำนี้ละเอียดทำนี้ประณีธรรมนี้ลึกซึ้งมนุษย์ติดอยู่ในความมีตัวมีตนยากเหลือเกินที่จะเห็นว่าไม่มีตัวมีตนอย่าว่าแต่จะไม่ยึดในตัวตนเลยนะแค่เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนก็ยากแล้วตรงที่เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนคือพระโสดาบันก็ยากแล้วตรงที่ไม่ยึดในตัวตนนันคือพระรหัน ท่านก็ทอ้อใจนะแต่เสร็จแล้วท่านก็เกิดความกรุณาเพราะใจของท่านนะสะสมความครุณามามากเรายังรู้ได้ทำไมคนอื่นจะรู้ไม่ได้นะพวกกิเลสบางๆมันก็ยังมีอยู่ท่านก็ออกมาสอนนะสอนไปกิเลสของท่านตายไปในวันที่บรรลุพระอรหันตนะ์นั่นแหละแล้วอยู่มาอีก4ี่สบปีสอนอีก45้าปีนะขันของท่านก็ตายไปนะทำของท่านไม่ตาย ทำเพราท่านไม่เคยตายพวกเราก็ได้อาศัยร่องรอยที่ท่านทิ้งไว้ให้ขยันเดินตามท่านหนมาเรียนรู้ลงในรูปนามนะจนล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนดูลงไปเถอะรูปนามไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วไม่ต้องหาทางทาให้มันไม่เป็นตัวตนรัฐที่อื่นๆที่ท่านไปเรียนมาก่อนทำไมพ้นกิเลสไปไม่ได้ล้วนแต่รัฐที่จัดการทั้งนั้นเลย จัดการจิตจะดับสัญญาบ้างจะดับจิตบ้างจะดับตัณหาบ้างล้วนแต่เป็นลัทีิจัดการทั้งสิ้นเลยท่านกลับไม่ได้จัดการอะไรท่านเห็นความจริงของกระบวนการที่สิ่งทั้งหลายทํางานสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่กเกี่ยวเนื่องกันไปล้วนแต่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ใจท่านรู้ความจริงแล้วมันควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ใจท่านไม่ยึดถืออะไรถ้าใจท่านพลนไปเพราะปัญญาอันยิ่ง เห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นนะท่านก็เป็นพระอรหันต์ทิ้งร่องรอยไว้ให้เราเดินตามแต่เราไม่ได้เข้าไปจัดการรูปนามนะแต่เราเข้าไปเรียนรู้รูปนามนะ เ, าเชิญไปทานข้าวนี่เทศยากจังยากไปไหมเอาโบทหน่อยใครว่ายากไปมีไหมมี ม, มีมีกันนะคนสองคนฟังใหม่ๆยากนะอดทนก็อนธรรมะอย่างนี้หาฟังยากนะ เอาเชิญเลยท่านเข้านิมอนต์เลยครับนิมนต์